อาการเกิดขึ้นในใจนะพอมันเริ่มคุนคุนขึ้นมารู้เลยโทสะเดินไปนะฝนตกโดนหัวแมะไม่ชอบรู้เลยว่าเกิดโทสะเดินไปแสงเข้าตาตารู้สึกแสบแไม่ชอบแสงอันนี้รู้เลยว่าโทสะมันไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องไปเครียดถึงขนาดว่าเกิดความร้อนมากๆขึ้นในใจไม่ถึงขนาดนั้นนี่คือผลจาก สญญไม่ต้องมีราคะขนาดที่ว่าต้องไปผิดศีล <c oughs> แค่มีความหยาดเยิมขึ้นมาในใจโอ้ <c oughs> โหเริ่มมีความหวานเยิมขึ้นมาในใจแนละ้วรู้แล้วว่าราคะเกิดขึ้นใจลอยหน่อยเดียวก็รู้แล้วว่าใจมันเคลื่อนไปคราวนี้เกิดตัวใหม่แล้วนะเกิดตัวใหม่แล้วว่าเห็นจิตมันเคลื่อนไปทีแรกเนี่ยมันไปเสวยอารมณ์เรียบร้อยแล้วเกิด เกิดกิ เ, เลสอะไรเรียบร้อยไปแล้วเกิดราคะไปแล้วเกิดโทสะไปแล้วฟุ้งซ่านไปแล้วจึงจะรู้ทันคราวนี้ยังไม่ทันไปเกิดราคะเลยแค่มันเคลื่อนไปก็รู้ละไอตอนแค่มันเคลื่อนไปก็รู้แล้วเนี่ยจะเกิดธรรมะตัวใหม่เรียกว่าสมาธิเกิดอะไรขึ้นเกิดโทสะเกิดราคะขณะนั้นมีสติ พอเห็นว่ามันมีการเคลื่อนตอนจะเห็นว่ามีการเคลื่อนเนี่ยใหม่ๆจะต้องคล้ายๆกับว่ามีที่อยู่ของจิตก่อนเช่นบางคนดูลมหายใจก็มีที่อยู่ตรงนี้แต่ดูลมหายใจไม่ใช่เพื่ออยู่กับลมหายใจตลอดแต่อยู่ดูลมหายใจเพื่อให้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไปมีการเผลอไปพุทโธไม่ใช่เพื่อให้รู้พุทโธตลอดแต่พุทโธเพื่อให้รู้ว่ามัน มีการลืมพุดโธไปนะมีการทิ้งพุดโธแล้วไปหาที่อื่นนะมีการเผลอลืมพุดโธแล้วเคลื่อนไปจิตมันเคลื่อนไปแรกๆจะเห็นว่ามันมีการลากเป็นเส้นไปมันลากเป็นเส้นมีการเคลื่อนวืด <c> ว <oughs> จะเรียกว่าอะไรดีฟิล <c oughs> อะไรเงี้นะแต่พอดูเป็นนานๆเข้าจานานมากขึ้นจะเห็นว่ามันไม่ได้ลากหรอก มันดับตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้ดมันดับตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้ดเข้าใจไหมตอนที่เห็นมันเคลื่อนไปเนี่ยเกิดสมาธิพอเห็นมันดับตรงนี้ไปเกิดตรงนู้ดเนี่ยเกิดปัญญาเห็นมีการเกิดดับเรียกว่าเห็นลักษณะของสภาวะที่เรียกว่าจิตนี้จิตนี้มีลักษณะคือเกิดดับดับตรงนี้ไปเกิดตรงนู้ด เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นลักษณะว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังถ้าเห็นว่ามันทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถูกสภาวะโดยธรรมชาติของมันเองบีบคั้นให้มันเคลื่อนไปตรงนี้เรียกว่าเห็นทุกขลักษณะของจิตเฮ้ยมันไปเองจิตเนี่ยนะจริงๆแล้วเราก็อยากให้มันอยู่ตรงนี้แหละแต่มันไปเองเช่นกาลังอยู่เนี่ย เสียงก็แก๊กเคลื่อนไปแล้วนะเคลื่อนไปพร้อมกับเสียงเลยเคลื่อนไปหาต้นต่อเสียงอ่ะมันเคลื่อนไปเองเห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของจิตเห็นอะไรก็ได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงก็ได้เห็นว่ามันถูกบีบคั้นให้มันเคลื่อนไปก็ได้เห็นว่ามันทำงานเองก็ได้เห็นอย่างนี้เรียกว่าเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ต้องต้องให้ได้ขนาดนี้นะ ต้องให้ได้ขนาดนี้ครูบาอาจารย์จึงจะเริ่มชื่นชมสมัยสมัยแรกๆเลยนะแค่มีสติรู้สภาวะว่าเกิดอะไรขึ้นในใจใช้ได้แล้วท่านบอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วนะเพราะขณะที่จิตมีสติขณะนั้นจิตตื่นจิตไม่มีสติขณะนั้นคือมันมืด เหมือนรอนหลับตาเนี่ยมันมืดพอมีสติเห็นสภาวะแท้แท้มันเหมือนตื่นโพลงขึ้นมาจิตขณะนั้นเหมือนเหมือนสว่างขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสติเป็นเครื่องตื่นของโลกสติโลกัสมิชาคาโรชาคาโรแปลว่าความตื่นโลกัสมิคือของโลกสติเป็นเครื่องตื่นของโลกโลกคืออะไรกายและใจแล้วนี่แหละ และมุ่งเน้นที่ใจเราสัตว์โลกทั้งหลายถ้ามีสติขึ้นมาจะรู้สึกว่าที่ผ่านมากูหลับไปหลงไปตื่นโพลงขึ้นมาเฮ้ยจิตเราจริงๆเป็นอย่างนี้เหรอสภาวะเป็นอย่างนี้เหรอความโกรธเป็นอย่างนี้เองเหรอเคยได้ยินแต่ว่าความโกรธเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เห็นได้แต่จำเขาบรรยายมาว่าความโกรธเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยตอนนี้เห็นแล้วโพลงขึ้นมาสว่างโพลงขึ้นมา ราคะเคยได้ยินมาเขาบรรยายไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นจริงๆเลยด้วยจิตได้แต่จําเอาคิดเอาปรุงเอาเขต้องมาเป็นอย่างเนี้ยราคะต้องอย่างนี้แต่พอราคะเกิดขึ้นเองในจิตนี้จริงๆแล้วมีสติไปเห็นว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นขณะนั้นโปรงเกิดความสว่างโพรงขึ้นในจิตว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้เองเหรอมันตื่นมันตื่นมันคล้ายๆตื่นเต้นนะแต่มันตื่นโพรงมันสว่างขึ้นมา เรียกว่าตื่นจากความหลับพอได้สติแล้วฝึกต่อไปคือฝึกให้เกิดสมาธิที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งมัน่นสัมมาสมาธิคือมีจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นที่ชอบคือถ้าเราไม่ได้ฝึกในลักษณะที่ว่าทำชานมาก่อนเราก็มาดูจิตที่มันไม่ตั้งมัน่น จิตให้มันเคลื่อนไปตอนเคลื่อนไปเห็นมันเคลื่อนทีแรกเนี่ยโดยธรรมชาติเลยไม่ชอบไม่ชอบให้จิตเคลื่อนเพราะว่าความเคลื่อนมันแสดงความไม่เข้าท่าแล้วเราก็เลยมาเนี่ยมึงมาอยู่ตรงนี้ซะดีๆเจ้าจิตของฉันจงมาอยู่ตรงนี้ซะดีๆของฉันด้วยนะเจ้าจิตของฉันจงมาอยู่ตรงนี้ซะดีๆ หรือกู <run> จงอยู่ตรงนี้เวลาเรารู้สึกในใจเรารู้สึกไงจิตของชั้นหรือกูเลยกูเลยใช่ไหมฉั้นต้องอยู่ตรงนี้นานๆจึงจะเป็นนักปฏิบัติชั้นยอดไม่ยอดหรอกมันบังคับไปแล้วบังคับและไม่รู้ตัวเห็นว่ามันเคลื่อนไปโอเคใช้ได้มีสติแต่เห็นแล้ว ไม่สามารถทำใจได้เห็นแล้วไม่สามารถทำใจได้เห็นแล้วไม่ชอบมันจึงมีอาการคว้ามันมาให้มันอยู่กับที่แล้วบีบบังคับถ้าติดกาวตาช้างแล้วก็จะติดแปะมันไปเลยแต่มันไม่มีกาวตาช้างในทางนามธรรมมันเลยหลุดไปอีกหลุดอีกก็ไม่ชอบอีกตอนเห็นมันหลุดนะ่โอเคได้สติ แต่เห็นมันหลุดไปแล้วไม่ชอบแสดงความไม่เป็นกลางความที่มันหลุดไปแสดงว่ามันไม่ไม่ตั้งมัน่นเห็นว่ามันไม่ตั้งมัน่นเห็นมันเคลื่อนไปตอนนั้นเห็นจิตและตั้งมั่นแล้วแต่ดูไม่ทันจิตยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้ตั้งมั่นแล้วนะเลยไม่พอใจฉะนั้นจงอยู่ตรง น, นี้นานๆแน่นๆด้วยแล้วพอมันแน่นได้รู้สึกบางทีบางคนเข้าใจผิดว่าดี แท้จริงแล้วลักษณะความแน่นของจิตไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนะโสภณะเจตสิกต้องเบาต้องนุ่มนวลต้องคล่องแคล่วควรแก่การงานควรแกการงานก็คือสามารถเอามาเจริญวิปัสสนาต่อได้เห็นว่ามันเคลื่อนไปเห็นเห็นว่า เห็นมันเกิดดับก็รู้ทันเห็นว่ามันมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นปนอยู่ก็รู้ทันเห็นว่ามันแสดงธรรมชาติของมันเราก็รู้ทันถ้าปล่อยใจเพลินไปกับโลกไปกับการมาคุณทั้ง5้าเรียกว่าการมาสุขขันธิการโยกสุดตองไปอีกด้านหนึ่งเห็นว่ามันเพลินไปแล้วเลยจับมันมาแน่นๆแปะติดเอาไว้อันนี้เรียกว่า อัตตะกิละมาถานุโยกสุดตรงอีกด้านหนึ่งไม่เป็นกลางมีเทวดามีเทวดาองค์หนึ่งมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเทวดาส่วนใหญ่แล้วเวลาจะมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยจะมาดึกๆึกกลางคืนเนี่ยนะจะแบ่งเวลาเป็นสามช่วงเคยได้ยินัหมปฐมมยามมัชชิมยามแล้วก็ปัตชิมมัยาม ปฐมยามก็คือหนึ่งในสามคืนแรกมัชชิมยามก็หนึ่งในสามคืนตรงกลางและตอนปลายก็เรียกปัตชิมัยามถ้าแบ่งเวลาตามนาฬิกาปัจจุบันก็หน้าปฐมยามก็น่าจะประมาณ6กโงเย็นจนถึงสี่ทุ่มได้ไหมมัชชิมยามคือตรงกลางนี่ก็จะประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองปัจชิมัยยามคือยามสุดท้ายก็น่าจะประมาณตีสองถึง หกโมงเช้านี่แบ่งเอาแบบตัวเลขนะหารสามตอนดึกดึกตีสิบปิดทีวี <c oughs> เทวดาจะมาลงมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเวลาเทวดามาเข้าเฝ้าเนี่ยจะแต่งตัวก่อนนะ เทวดาเวลาจะมาสู่โลกมักจะแต่งตัวจะไม่มาแบบไม่แต่งตัวไม่ใช่เปลือยนะควหมายถึงว่ามาฟอร์มแบบดีๆมีความเรียบร้อยบอกไม่แต่งตัวเลยเปลือยไม่ใช่กันนะแต่มีบ้างเหมือนกันที่เทวดาชั้นชั้นกามาวจรแบบอาจจะไม่พิถีพิถันตัวนี้ มาแบบไม่แต่งตัวให้ให้สวยงามเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นรูปาวจรเข้าใจมเนี่ยกามาวจรรูปาวจรนี่เข้าใจัหยไม่เข้าใจกามาวจรคือแล่นไปในกามก็หมายถึงเทวดาที่ยังใ่กามกามาคุณทั้งห้าก็คือยังเพลินในการมีเพศตรงข้าม เอาง่ายๆถ้าชั้นสองชั้นแรกเนี่ยนะชั้นจาตุมหาราชกับชั้นดาวดึงก็จะคล้ายๆมนุษย์เลยมีสามีมีภรรยาบนสวรรค์กันแบบคล้ายๆมนุษย์เลยชั้นสูงขึ้นไปจะลดอะไรกิจกรรมทางเพศลดกิจกรรมทางเพศลงพร้อมๆกับมีอายุยืนขึ้นชั้นสูงขึ้นเนี่ยความพอใจที่จะ มีความสัมพันธ์ทางเพศจะน้อยลงแสดงออกด้วยการที่ว่าบางทีแค่เดินไปด้วยกันจูมือกันเนี่ยเขาก็พอใจละชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยแค่พูดคุยกันก็พอใจละสูงสูงขึ้นไปเนี่ยแค่มองตากันก็พอใจละแต่นั่นก็แสดงถึงว่ายังพอใจในเพศตรงข้ามยังพอใจในกามชั้นสูงสุดเลยเนี่ยนะปรนิ ม, มิตวสวัสดีเนะี่ยก็ยังมีผู้หญิงผู้ชายนะมีเทวดามีนางฟ้า แค่เห็นและชอบพอแล้วรู้ว่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยรู้ว่าเขาชอบแล้วเราก็ชอบเขาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องแตะตัวกันด้วยนะไม่ต้องมาเกี้ยวด้วยวาจาแค่สายตาเกี่ยวกันพอแล้วและพอใจแค่นั้นไม่ใช่ปลาทองเลยนะส่วนเทวดาชั้นรูปาวจรคือจิตเนี่ยแล่นไปในรูป ก็คือทำรูปประชานหมายถึงพระพรหมนะพระพรมคราวนี้เทวดาเลยแบ่งแบ่งตามคุณภาพของจิตถ้ายังพอใจในเพศพอใจในกามจึงเรียกว่ากามาวจรนะเทวดาชั้นเหล่านี้เนี่ยจะมีเทพธิดามีเทพประบุตนะแต่ชั้นรูปาวะจรไม่แบ่งเพศและไม่ระบุเพศ แต่มีรูปรักษ์เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ชายแต่ไม่ไมแข็งกร้าวผู้ชายแต่ดูอ่อนช้อยบรรยายไม่ถูกคือไม่ระบุเพศเรียกว่าเป็นพระพรหมและเทวดาที่มาเข้าฝ้าพทธเจ้าในคราวนี้เป็นเทวดาชั้นรูปราวจรคือเป็นพระพรหมชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ได้ระบุไม่ได้บอกเข้ามา เข้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหวังผลรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าด้วยนะและเข้ามาเข้าเฝ้าเนี่ยหวังผลคือมักผลเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีผลไม้ดกเขาก็หวังที่จะมาได้รับผลผลประโยชน์จากคำสอนของพระองค์ เทวดาองค์นี้มาแล้วก็มาเข้าเฝ้ามายืนอยู่ในที่สมควรที่สมควรอยู่ตรงไห น, นไม่ใช่โนดของนายสมควรที่สมควรเนี่ยท่านบรรยายบอกว่าไม่ใกล้เกินไปถ้าใกล้เกินไปรู้สึกเบียดนะไม่ไกลเกินไปเพราะไกลเกินไปเวลาพูดม่อต้องตะโกนแต่พระเจ้าเนี่ยไม่มีอุปสรรคเรื่องเรื่องความใกล้ความไกลนะ แต่หมายถึงถ้าคนด้วยกันเนี่ยที่ใกล้เกินไปเนี่ยดูเบียดดูมันมีผู้อาจารย์หรือว่าพระศ า, าสดาไม่มีสเปซแล้วก็ไม่ไกลเกินไปจนรู้สึกว่าจะต้องตะโกนพูดกันไม่ยืนตรงหน้าไม่หรือไม่นั่งตรงหน้าเป๊ ะ, เ, ปะเพราะว่าดูเหมือนจะจ้องกัน เวลาเงยหน้ามาเหมือนจ้องหน้ากันเคยไม่ใครเคยไปอยู่ตรงหน้าครูบาจาแล้วพอท่านมองมาแล้วตกใจอยู่ตรงหน้าท่านเกินไป <c oughs> แล้วก็ไม่อยู่ข้างหลังจะมาเรียนกับท่านนล้วให้ท่านเหลี้ยวหลังคุยก็เกินไปใช่ไหมไม่อยู่ข้างหน้าไม่อยู่ข้างหลังไม่อยู่สูงกว่าไม่อยู่สูงกว่าเว้นโทษเหล่านี้เรียกว่าสมควรอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงโน้นก็ไ ด, ตได้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ แล้วก็มาถามนะถามพระองค์ข้าแต่ท่านผู้นิรุตุขท่านผู้ไม่มีทุกข์ภาษาบาเ ล, เลีเราว่ามาริสักมาริสักแปลว่าท่านผู้ไม่มีทุกข์เป็นคำคำเพราะๆคําให้เกียรติกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เรียกเทวดาด้วยกันว่ามาริสะเวลาพูดนะเป็นการ เป็นคำไพเราะท่านผู้เจริญอะไรประมาณนี้ ท, ท, ทั้งท่านจะรู้ว่าจริงๆเขาก็มีทุกข์อยู่เหมือนกันค้างอยู่แต่เป็นคำคำมารยาทท่านผู้ไม่มีทุกข์ท่านข้ามโอคะได้โดยวิธีไหนท่านข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะรู้จักโอคะไหมเทวดาองค์นี้นะ่ยนะมาด้วยความถือตัวอย่างหนึ่งว่าเขารู้จักโอคะ แค่รู้ว่าโอคะคืออะไรเขาก็ถือตัวแล้วนะโยมรู้จักไหมเลยยังไม่ค่อยถือตัวใช่ไหมโอคะเนี่ยแปลตามจับว่าห่วงน้ําห่วงน้ําแต่โอคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงห่วงน้ําที่พาสัตว์ว่ายวนไม่พ้นถึงฝั่งเทวดาเนี่ยรู้ว่าพุทธเจ้าเน่ยข้ามฝั่งได้แล้วข้ามฝั่งคือ เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองข้ามได้แล้วเทวดาก็มีมานะรู้ว่าเรารู้นะว่าท่านเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้นะว่าท่านเนี่ยข้ามฝั่งได้แล้วแค่นี้ก็มีมานะแล้วนะถือตัวแล้วรู้ด้วยว่าไอ้ที่ข้ามไปเนี่ยเรียกว่าโอคะโอคะเนี่ยแบ่งเป็นสี่อย่าง โอคะอันแรกเรียกว่ากามเรียกรูปเลยเรียกว่ากามโมคะฟังยากเอาว่าเป็นกามก็แล้วกันอันแรกกามอันที่สองเป็นภพพะโวคะอันที่สามเรียกว่าทิฏฐิทิฏโขคะอันที่ห้าเรียกว่าอาวิชชาอาวิชโชคะอเอาสับร ว, วนดีกว่านะกามอะไร พบทิฐิแล้วก็อวิชชากามทำไมเรียกว่าเป็นโอคะเพราะว่ามันพาจิตให้ตกวนอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสข้ามไม่ได้เลยข้ามพ้นไปไม่ได้เลยมีตัวอย่างเยอะที่มันข้ามการนี้ไม่ได้ในที่นี้แหละอยากดูตัวอย่างไหนก็ดูเอา ยังข้ามกามโอเะนี่ไม่ได้ยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากกินที่มันจำเป็นอ่ะยังอยากสัมผัสโดยเฉพาะยังยิ่งเพศตรงข้ามข้าไม่พ้นตรงนี้เรียกว่ามันพาให้วนถ้าทำไม่ดีก็จมจมอยู่ในห่วงน้ำอันนี้เรียกว่าห่วงแห่งกาม ยังมีอีกห่วงหนึ่งอือีกห่วงหนึ่งนะเป็นภพเอาละฉันไม่เอาการละฉันก็เลยทําสมาธิทาําฌานและพอใจในฌานพอใจในรูปฌานในพอใจในอะรูปฌานก็ยังไม่พ้นห่วงของภพเป็นอีกห่วงหนึ่งนะเหมือนมีสองอ่างแต่อ่างใหญ่มากใหญ่ๆข้ามไม่พน้นภพนี้ ดูดีสงบดีแต่ถ้าพอใจก็ติดภพนี้แล้วจ่เป็นที่น่าตกใจก็คือสเสวยวิบากที่ตัวเองทำฌานได้แล้วนพอหมดบุญหมดกําลังแห่งฌานนั้นฌานมีวันหมดอายุไหมมีนะไม่ต้องปั๊ม expire มันก็หมดอายุนะหมดอายุและส่วนใหญ่ก็จะไปสเสวยผลของอกุศลต่อ เพราะสบุผลบุญไปแล้วน่ากลัวนะถ้ายังไม่รู้ตัวตัวนี้นะกามมันก็ดึงคนที่เคยทําฌานเนี่ยตกไปอยู่ในห่วงอีกบ่อนหนึ่งได้ <c ười> อีกห่วงหนึ่งคนที่เคยเป็นพระพมแล้วพอมาเป็นคนก็มีลูกมีเมียได้ต่ออีกนะเพราะมันวนๆอยู่สองอ่างนี่ยแหละแล้วมีอีกอีกโอคาหนึ่งเรียกว่า ทิฏฐิทิฏฐินี่คือความเห็นผิดต่างๆในทางตำราในทางในพระไตรปิฎกแยกแยกออกไปถึงหกสิบกว่าทิฏฐิหสิบสองทิฏฐิถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะคือมีเยอะแยะไปหมดคิดผิดได้หลากหลายคิดไม่เป็นอย่างเดียวคือคิดถูกเห็นถูกในไม่เห็นเห็นถูกคือเห็นอะไรเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเห็นว่า การนี้ใจนี้เกิดดับไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นมาอันนั้นดับไปทุกอย่างสิ่งใดเกิดสิงนั้นดับแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดั บ, เ, ด เ, ดดบเรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์แล้วท่านเรียกพระโสดาบันว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ทิฏฐิสัมปันโนพระอัญญาโกนัญญะฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วดวงตาเห็นธรรม ที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมคืออุทานขึ้นมาจากความรู้ในจิตของท่านว่าสิ่งใดเกิดสิงนั้นดับพออุทานอันนี้ขึ้นมาผู้ลุทาอุทานต่อโกวนธัญญะรู้แล้วหนอไม่ได้อุทานทีเดียวด้วยอุทานหลายทีนะอุทานโกนธัญญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แล้วหนอเทศครั้งแรกเทศครั้งแรกรำมาจากกัปปวัตนสูตรเนี่ยนะมีผู้ฟังห้าท่าน มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาท่านเดียวแค่นี้พรุทธเจ้าอุทานเทศครั้งต่อไปนะทั้งห้าท่านเนยนะจากโสดาบันเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกันห้าองค์เลยนะไม่อุทานไปเทศให้ลึษีชดินสามพี่น้องตั้งพันกว่าคนพันกว่าองค์เทศครั้งเดียวเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันทั้งหมดเลยไม่อุทานไปเทศให้พระเจ้าพิมพิสาร ข้าราชบริพารกับประชาชนทั้งหลายสําเร็จเป็นโสดาบันสกิทาคานาคาเป็นแสนไม่อุทานทําไมครั้งแรกได้องค์เดียวอุทานเพราะความที่เกิดสัมมาทิฐิของพระอัญญากรธัญญาอันนั้นทําให้ท่านพระัญญากรธัญญะเข้าสู่กระแสพันธิพานาเห็นธรรมที่พระองค์แสดงเข้าใจธรรมที่พระองค์แสดงเป็นพยานแห่งความตัดสรู้ของพระเจ้า ท่านไม่ได้ต้องการพยาน ม, มาสนับสนุนตัวท่านแต่งานของท่านสำเร็จที่ตั้งบณิธานมาตั้งแต่เสี่ยวาสองขายกระแสนกับจริงๆเราเกินกว่านั้นด้วยนะยี่สิอาสองขายกระแสนกับว่าเราถ้าข้ามพ้นถึงฝั่งแล้วจะพาคนอื่นถึงฝั่งด้วยตั้งใจไว้หนึ่งนี้ตั้งใจไว้ในใจยังไม่มี ใครรู้กับตั้งใจไว้ในใจแล้วบอกให้พระพุทธเจ้าทราบบอกให้คนอื่นรู้ยังไม่ได้รับพยากรจนได้รับพยากรเมื่อเสียสงขายกระแสกลับที่แล้วงานนั้นอนะเพิ่งมาสําเร็จเอาวันที่แสดงปฐมเทศนาท่านจึงอุทานรู้แล้วโกนธัญญะรู้แล้วหนองานท่านสําเร็จอุทานขึ้นมาจากนั้นแล้วงานก็ดําเนินไปต่อหมุนต่อไป หมุนกงล้อแห่งศาสนาจักรกงล้อแห่งธรรมเรียกว่าธรรมมาจากกงล้อนะจักรเนี่ยแปลว่ากงล้อกงล้อแห่งธรรมธรรมาจากหมุนไปนแล้วไม่หมุนกลับคำามาหมุนกลับเนี่ยเรียกว่าปฏิวัติไม่หมุนกลับคืออปฏิวัติหมุนไปนแล้วไม่หมุนกลับเพราะไม่มีใครสามารถมา โต้แย้งคำสอนของพระ อ, องค์ได้ถ้ามีการโต้แยง้งทําอันนั้นจะหมุนกลับแต่ทาเนี้ยไม่มีใครโต้แย้งได้เพราะแสดงความจริงจริงที่จริงจริงจริงเดี๋ยต้องอกต้องบอกว่าจริงจริ ง, รงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะไปสั่งเหล็กเหล็กเส้นสี่หุนมาลำส่งมานะอา้าวมันไม่ถึงเนี่ยอา้าว จะเอาสีหุนเต็มต้องบอกเอาสีหุนเต็มมอดูสิชักอยู่ยากขึ้นมากขึ้นแล้วนะสังคมเราเนี่ยนะไปซื้ออะไรเอาแท้มันไม่แท้จริงนี่ต้องเอาแท้แท้แท้แท้จริงๆโอ้อยู่ยากธรรมะของพระองค์ในแสดงของจริงจริงจริงจริจรึงไม่มีการปฏิวัติ อัปปฏิวัติหมุนกลับไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวใครรู้ตามเห็นตามก็จะพ้นทุกตามพระองค์ไปรู้แล้วเป็นพยานแต่ความเป็นพยานนั้นไม่ใช่มาเพื่อส่งเสริมหรือดันพระองค์ให้ลอยสูงขึ้นเข้าใจไหมการที่เราเห็นตามท่านหรือเราแสดงความเคารพท่านกราบไหว้ท่านเนี่ยไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้ท่าน สูงขึ้นแต่มันแสดงถึงจิตใจของเราสูงหรือเปล่าการแสดงความเคารพเนี่ยไม่ใช่ทำให้ผู้ที่รับไหว้เราเนี่ยสูงขึ้นแต่มันแสดงออกว่าเราเนี่ยสูงแค่ไหนแปลกไหมไม่แปลกนะแต่คนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราไหว้เขาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะสูงเกินแล้วเลยไม่ยอมตัวเองไม่ยอมไหว้เขาที่แท้ที่จริงแล้ว ไอ้ที่แข็งหลังแข็งมือแข็งไม่ไ่าเขาเนะี่ยแสดงความต่ำของจิตเราต้องไม่ใช่ต่ำธรรมดนาะต่ำ <c oughs> <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเราไม่จบ <c oughs> ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เ <c oughs> ทวดาใช่ไหมเทวดามาฟัง พ, พระพุทธเจ้า แค่ถามเท่านั้นเองยังไม่ตอบเลยใช่ไหมถามพระเจา้าถามพระรู้เจ้าว่าพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะมีอยู่สี่อย่างมีโอคะคือกามโอคะคือพบโอคะคือทิฐิและโอคะคืออภิชาอาวิชาคือไม่รู้อริยสัจเทวดาองค์นั้นที่มาจากชั้นพรมมาด้วยความอะไรพองตัวว่าตัวเองเนี่ยรู้มากพระรู้เจ้าก็เห็นแล้วมาพองขนาดนี้นะ ต้องตอบให้เขาหายพองนะเวลาตอบให้หายพองคือตอบตอบของจริงนั่นแหละตอบของจริงแต่ให้ไม่เข้าใจพระองค์ก็ตอบว่าเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักและไม่เพียร ง, งงไหมสมควรงงไหมสมควรนะ <c oughs> เราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักและไม่เพียรเทวดาองค์นั้นก็งงไอ้ไม่พักใน่พอเข้าใจ เหมือนเวลามีห่วงน้ำเลยนะเราต้องต้องอะไรสักอย่างที่มัชุดชุดชุ ด, ชดไปให้ได้นะอันนี้คือไม่พักใช่ไหมแต่ไม่เพียรนี่งงงงตรงไม่เพียรนี่แหละแต่เทวดาองค์นี้มีข้อดีคือพอรู้ว่าตัวเองไม่รู้รู้ว่าไม่รู้คือรู้แล้วไม่ปฏิเสธนะไม่ใช่ รู้ว่าไม่รู้แล้วเฮ้ยไม่ได้กูต้องรักษาฟอร์มนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเทวดาวนี้มีข้อดีนีว่ารู้ไปตามจริงรู้ไปตามจริงว่ากูเองไม่รู้แค่นี้คือรู้แล้วก็ยอมพรนะพุทธเจ้าแสดงธรรมเนยนะแสดงธรรมสองแง่แง่ที่หนึ่งแสดงเพื่อขม่มนะแสดงเพื่อขม่มเรียกว่านิฆะ นิกะหะคดีินคำนี้ั้ยนิกะหะแปลว่าขมเหมาะสำหรับอย่างเงี้ยพวกพองพองมาเนี่ยพองพองมาเนี่ยต้องตบหัวสักทีอนอะไรเงี้ยขมขมให้ให้พอดีก่อนกับผู้ที่มาด้วยความนอบน้อมอยู่แล้วท่านจะแสดงด้วยลักษณะคืออนุกะหะอนุเคราะห์ภาษาบาลว่าอนุกะหะ พวกที่พองมาต้องนิกกะะคือขมส่วนผู้ที่นอบน้อมมาแล้วท่านก็แสดงด้วยความอนุเคราะห์อย่างรรายนี้ต้องขมขมก่อนไอ้ที่รู้นะ่ะไม่พอนะไม่รู้จริงนะก็ตอบไปแล้วเออไม่รู้จริงๆริแล้วก็ยอมขอพระองค์จงแสดงไอ้ที่ว่าไม่พักแล้วไม่เพียนเนี่ยทํำยังไง ยอมนะอันนี้แสดงอาการยอมถ้าแสดงอาการไม่ยอมก็คือว่าสาธุไปละไม่ถามต่อแสดงฟอ้องว่าโอ้กูก็รู้แต่นี่ไม่ความดีของท่านนะความดีของท่านองค์นี้คือยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จริงแล้วก็ถามต่อว่าที่พระองค์บอกว่าไม่พักและไม่เพียรแล้วมันข้ามได้เนี่ยมันข้ามยังไงพระองค์ก็บอกว่าที่ไม่พักเพราะถ้าพัก จะจมที่ไม่เพียรเพราะถ้าเพียรจะลอยเราไม่พักและไม่เพียรจึงข้ามพ้นห้วงน้ำได้เทวดาเข้าใจปิ๊งเลยเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอุทานขึ้นมาเลยว่านานแล้วหนอนานแล้วหนอที่เราไม่เคยพบที่เราไม่ได้พบ พระอรหันต์ผู้พ้นจากอาสวะกิเลสผู้ไม่พักไม่เพียรข้ามโอกคะได้เทวดาองค์นี้เนี่ยเคยพบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพรุทธเจ้าองค์ก่อนพระนามว่าอะไรรู้ไหมกัสปะไม่ใช่มหากัศปะนะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัศปะพุทธเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัศปะเทวดาองค์นี้อายุยืน ธรรมดามากเลยเพราะว่าเป็นพระผรหมพระพมเนี่ยอายุเป็นกลับๆไปพบกับพระพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเป็นยังไงแต่ยังไม่ได้ไปฟังธรรมเพื่อให้รู้ธรรมตามท่านแต่รู้ว่าพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้รัศมีเป็นอย่างนี้มีฉับพันหลังสีอย่างนี้องค์นี้ก็แบบเดียวกันเลยก็รู้ว่าองค์เนี้ยพระพุทธเจ้าเลยพองตัวว่าฉันรู้นะว่าองค์นี้ยพระพุทธเจ้าเคยได้ยินว่าเขาข้ามโอคะกันในสมัย ศา ส, สนาที่แล้วคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอ้อพระองค์ก็คงข้ามโอคา่นั้นได้แต่ชาตินี้ไม่ใช่ชาตินี้เวลานี้ที่เจอพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ชาติเดิมนะชีวิตของท่านยาวขณะนั้นอะแทนที่จะภูมิใจว่าฉันเห็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วฉันทันมาเห็นพระพุทธเจ้าองค์นี้ด้วยเนะี่ยไม่หยุดแค่นั้นลงมาถามการเข้าใกล้ผู้รู้ เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเข้าใกล้และสอบถามปัญหาก็เหตุให้เกิดปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นสอบถามแล้วไม่เข้าใจมีการอะไรถามย้ำ ม, มีการถามย้ำ ม, มีการทบทวนคำถามนั้นพิจารณาเห็นตามเกิดปัญญาแท้จริงขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นพระโสะดาบันเกิด มีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาที่บอกว่านานแล้วหนอไม่เคยเจอไม่ได้เจอผู้พ้นจากอาสวะตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเห็นผู้พ้นจากอาสวะคนละแบบครั้งแรกเนี่ยเป็นการเห็นด้วยสายตาของปุถุชนปุถุชนเห็นพระอาหารหันต์ปุถุชนเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นและปลื้มแบบหนึง่งแต่ พระโสดาบันเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิความซึ้งใจในการเห็นพระเจ้าไม่เหมือนกันเลยพระพมองค์นั้นจึงอุทานขึ้นมานานแล้วหนอไม่ได้เห็นพระองค์จริงๆไม่เห็นมาตลอดสังสารวัฏเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็เห็นเหมือนเป็นพระผู้เจริญองค์หนึ่งแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้ามันซึ้งกว่ากัน เห็นว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆธรรมะของพระองค์แสดงเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆซึ่งใจอย่างนั้นจริงๆเห็นเหมือนพระองค์ไม่เป็นพ่อพ่อเลยพระองค์แสดงธรรมว่าเดี๋ยวอธิบายหน่อยเดี๋ยวจะงงที่ว่าถ้าพักแล้วจะจมถ้าเพียงแล้วจะลอยคือพักเนี่ยเปรียบได้แล้วก็เหมือนกับว่า หลงไปในกามต่อเป็นการมาสุ ข, ขันลิกานุโยกย่อมจมอยู่ในห่วงน้ำคือโอคะนี้ต่อไปถ้าเพียนนะถ้าเพียนก็คืออยู่ในภพของรูปราวะจรหรืออรูปราวะจรต่อไปเพียนดูเหมือนดีเป็นกุศลแต่ถ้าเพียนแล้วไม่รู้ก็ยังวนอยู่ในภพ โอคะคือพบยังอยู่ในโอคะนะไม่พ้นมันดูเหมือนลอยถ้าเทียบกันแล้วระหว่างกามาวจรกับรูปาวจรรูปาวจรเหมือนลอยอยู่กามาวจรเหมือนจมอยู่กามาวจรเนี่ยก็คือพักอยู่จมไม่ทําความเพียรไม่ยอมไม่ยอมปฏิบัติปล่อยใจไปกับสิ่งเริงรม ไ ป, ไปกับตาไปกับหูไปกับจมูกไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆพอนึกจะปฏิบัติขึ้นมาก็เครียด <c oughs> เครียด <c oughs> บีบมังครับเอาไว้อยู่ตรงนี้นะเจะ้ายองย่าไปนะ <c oughs> กลายเป็นทำพบให้เกิดขึ้นเป็นพบของนักปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็ไม่พ้นจากโอคาฉะนั้นให้รู้ทันว่าเราเผลอไป เผลอไปสองแบบเผลอไปตามกิเลสเผลอไปในกามกับเผลอเพ่งบีบบังคับเอาไว้ <c oughs> จากนั้นนะจึงจะเรียกว่าไม่พักและไม่เพียรแล้วจะอุทานขึ้นมาว่านานแล้วหนอไม่ได้เจอธรรมะอันนี้มานานแล้วร <c oughs> ิงได้ฟังมาบ่อยแต่ว่าพอเห็นจริงๆแล้วนานแล้วหนอ ไม่ได้เห็นสภาวะอันนี้มานานแล้วไม่เคยเจอมาเลยตลอดสังสารวัตรนะให้รู้ว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะไม่พักและไม่เพียนไม่พักก็คือไม่เผลอเพลินไปในกามคุณไม่เพียนคือไม่เผลอบีบบังคับใจตัวเองรู้ตามจริงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าจิตมันเผลอไปรู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นรู้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นรู้ตามจริง ไม่ทำฟอร์มพอสมควรแก่เวลามัง้งยากไปไหมเนี่ยใครไม่เข้าใจมัง้งมีไหมพอได้แนวปฏิบัติไหมต้องให้ได้ประโยชน์ของการฟังนะคือนำเอาไปปฏิบัติต่อได้ทำบุญแล้วมีบุญร่วมกันนำบุ ญ, บญอันนั้นเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นด้วย ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใดที่มีพระคุณต่อเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งในชาตินี้และในอดีตขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับส่วนบุญที่เราทุกคนในที่นี้อุทิศให้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา บูชาพระรัตนตรยัยด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ที่ดีที่สุดในขณะนี้คือบุญกุศลที่เราที่ได้ทำกันแล้วบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพรานาไมายสมบูรณ์เป็นร่มโพ ร, ร่มใสให้กับพี่น้องชาวไทย ประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลานานอุทิศให้กับเทพ ย, ยดาทั้งหลายบุญที่เราได้แสดงธรรมและฟังธรรมปฏิบัติธรรมในที่นี้บุญอันนี้ถ้าท่านปรารถนาจงมาอนุโมทนาเราในที่นี้ทั้งหมดแบ่งบุญกุศลให้ท่านขอท่านจงมาอนุโมทนา บุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ทำแล้วในที่นี้ขอท่านจงปกปักรักษาดูแลสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมต่อไปขอให้ท่านจงรักษาเ่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมและขอให้สัสตว์รททั้งหลายสัตว์ใดก็ตาม ที่มีทุกข์อยู่จงมารับรู้ลบอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราทั้งหลายในที่นี้อุทิศให้ให้ท่านอนุโมทนามีจิตใจแช่มชื่นยินดีเบิกบานเริ่มใจปีติใจพ้นจากทุกข์กติในภพภูมินั้นไปสู่สุขติโดยพลันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้เบียดเบียนกัน จงอยู่ด้วยกันด้วยความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจศึกษาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะนามาปฏิบัติให้เห็นผลจริงถึงซึ่งความพ้นทุกข์จริงในชีวิตนี้เราทั้งหลายจะตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติศึกษาถ้อยคำของ พ, พุทธเจ้าสืบต่อไปวาทัณฑหลายนโมธนา ยะ า, าวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังหวงน้ำที่เต็มย่อมอยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชนใดเอวะเมวะอิตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานุทิตในแล้วในโลกนี้ย่อมสาเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วจะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว ขีปะเมววสมิจฉาตุจงสำเร็จโดยชบพลันสัพเพภูเรนตุสังกป้าขอกวานดำริตั้งปวนจนเต็มที่จันทโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระว่ตัวสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่าน รักันตุวสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อ